ใช่ใช่ใช่วิตังจิลุนกบบิลอาดับ تعدلونك بالعذاب، ولا يخلف الله وعدا، وإن ج و م ا عند ربك. กาลฟิซันตินมิมตัดอดูนว่าไถ่หมิ่นการติอลตุล هي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير أنا أنا <ت ص في> ق>, <ت ص في> ق ุลยาอิยูฮันนัสอินนามะอาณาอาณาอาณ ن บ َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ ทั้ ال م ผู้ที่อ่านแล ا ل ี ح อ م านแ ل ้วก ل ل ه نحمده ونستعينه و ن س ت غ ف ر ه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن ي ه د ه الله فلا مضلله و م ن ي ض ل ل ف ل ا ه ا د ي َ ل ه و َ أ ش ه د ُ أ ن لَا إ ل ه َ إ ل ا ا ل ل ه و ح د ه ل ا ش ر ي ك ل ه و َ أ ش ه د ُ أ ن م ح م د ً ا ع ب د ه و ر س و ل ه Um nah ال l a h ح m ا a b ur, wa ah, i k ب asbahna wa و i ك a a m s و y ك a wa bika nahiya wa أعوذ بكلمات الله ت ع ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا جدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم رضيت بالله رب و بالإسلام دين วบิมูฮัมมัดอิลลัสโวละอัลลอฮุมะฟินีฟีบดเนี๋ยวะฟินีฟีสเมอีวะฟินีฟีบัุร السلامعليكم ورحمة الله وبركاته ในน้องที่ร่วมนมาซุบห์ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นเราต้องชูกรต่ออัลล์ سبحانه แะ تعالى ขอการชูกรต่ออัลลอฮ์นั้นนะ คนที่ชุกุต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องมีอุลามาอยู่ท่านหนึ่งได้รวบรวมหะดีสเอาไว้เยอะนะท่านบอกว่าใกล้อาริฟุอันนีสาีดุนจะรู้ได้ยังไงว่าเราเองเนี่ยมีความสุขรู้ได้ยังไง บางคนก็ตอบคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีเงินเยอะๆบางคนก็ตอบว่าฉันมีบ้านใหญ่ๆบางคนก็ตอบว่าฉันมีภรรยาสวยฉันมีความสุขแล้วก็ตอบกันคนละอย่างสองอย่างแต่ผิดหมดเลยครับคนที่มีความสุขที่แท้จริงอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ต้องมีสามรายการ ต้องมีสมรายการติดตัวจนกว่าจะตายหนึ่งอุษกุงอัลลัณนียมขอบคุณอัลลอฮฺชูกตต่ออัลลอฮฺเมื่อตอนได้รับเนียมมัดเมื่อได้รับเมื่อได้รับนนียมมาดจากอัลลอฮฺเอานียมมเนี่ยอะไรบ้างนนียมะัว่าปัจจัยความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺให้บนโลกดุริยางนี้อะไรบ้างมีความรู้ อ่านคูอ่านออกนี่เป็นเนื้อมัดนะได้มาเป็นมุสลิมได้นมายครบห้าเวลานี่เป็นเนื้อมัดมีพ่อมีแม่ทำอยู่เลย ล, ละ ม, มีบ้านหลังหนึ่งมีรถจักรยานคันนึงทั้งหมดนี่เป็นเนื้อมัดทั้งหมดมีธุรกิจสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้นี่เป็นเนื้อมัดกับคนที่มีเนื้อมัดอย่างนี้แล้วก็ขอบพระคุณอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ อะไรนะมีความสุขที่สุดบนโลกดุนยาไปนี้ข้อที่สองต้องมีสามรายการรวมกันข้อที่สองวัสดุอาลัยอาลัลลบลาบัเมื่อตอนได้รับความอะไรนะความลาบากแล้วใครบ้างที่ไม่ได้รับความลาบากนัม้มีไหมไม่มีครับและทุกคนเนี่ยเอาลดโทดสอบให้เกิดความลาบากหมดเลยอย่างวันนี้นี่ อันสเนี่ยเป็นที่ชายของแฟนผมมนะันเสียชีวิตเมื่อคืนเนี่ยมายึดมาถึงเนี่ยประมาณเกือบมาสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะถามว่าลูกๆเสียใจมากก็เสียใจนี่เป็นบัลลเป็นมุซีบาอันหนึ่งเมื่อเกิดคนตายในบ้านเนี่ยทำไงโวยวายหรือไม่ใช่ซาบัดต้องอดทนถามว่านาบีพู้มาตายไหมตายภรรยาอบีเสียใจไหมเสียใจแล้วก็ทำไงเขาโวยวายหรือไม่ใช่เขาอดทนเนี่ย พออดทนพับคนนี้นะ่ะเป็นคนที่ครีบิสูอาดาเป็นคนที่โชคดีที่สุดนี่ยข้อที่สามครับอัลอิสติฟาร์มีนัลลูนุกทำอะไรผิดเนี่ยต้องอะไรนะตาบ้าตัวต่วอรอต้องสารภาพผิดต่ออัลลอ์ให้ว่าไงเนะอัสตารฟิรุลลอฮ์นี่ตาบ้าตัวต่วอรออย่างน้อยภาษาต้องออกแล้วฉันขออภัยโทษในความผิดตัวหลวงว่า คนถ้ามีสามรายการนี้นี่เขาสรุปนะจากคัดดิสจากคุรานทั้งหมดสรุปแล้วว่าคนถ้ามีสามรายการนี้คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่มีเงินกับเงินก็เป็นส่วนหนึ่งเรล็รกนน้อยเป้าหมายใหญ่ก็คือหนึ่งมีสามรายการหนึ่งชุ ก, กเมื่อได้รับเนี่ย a h m a ได้รับเงินมาอัดขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณแบบไหนล่ะก็บริจาคซิทําบุญพูดถึงบริจาคมีกี่ข้อสี่ข้อหนึ่งสกาด สองาดกโคสามฮัตตยะสีวะวะ่วาคาฟทาวาคาฟวาคาฟลิลลาฮิตาอาดานี่เวลามีเงนินนี่ต้องทำสีข้อข้อที่สองอัลซอบรุอัลัลบะละอดทนเมื่อตอนนี้เรื่องทุกๆเรื่องไม่ดีมาประสบกับเราโวยวายไม่ได้ด่าคนนั้นด่าคนนี้ตาหนิคนนั้นไม่ได้เลยเราต้องอดทน เพราะการอดทนมันมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานอาหวาตาลข้อที่สามอัลิสติกฟาลีวินอัลซูนบการขออภัยโทษเมื่อตัวเองทำบาปทำผิดถ้ามีสามข้อเนี่ยอยู่ในใครก็ตามนะคนนั้นเป็นคนที่ได้นะมีชีวิตที่สมุกสบายที่สุดบนโลกดุนยาใบนี้แล้วตายไปแล้วอัลลอชีวิตของเขามีแต่บาระกัดตลอดเวลา อขอบคุณอัลล์นที่เราได้ทบทวนคุรอ่านวันนี้มาถึงสูร้ออัลหัจสูราะที่ยี่สิบสองมาถึงอายาที่สี่สิบเจ็ดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดว่างไงนะมันมีตาใช่ว่าตาที่หัวนี่ตาเนี่ยสองข้างละตาที่ใจตาที่หูที่บนศีรษะกับตาในใจไม่หมดสี่ตานี่ท่านมูจาฮิต อาลมามะท่านยังได้อธิบายว่าทุกคนนั้นมีสี่ตาสองตาอยู่บนศีรษะและอีกสองตานั้นอยู่ในอยู่ในใจสองตาที่อยู่บนบนบ น, บนศีรษะเนี่ยเอาไว้มองเพื่อโลกอาคีรอมันจะมองเพื่อโลกดุนยาเนี่ยเห็นบ้านเห็นช่องเห็นภรรยาเห็นลูกเห็นเงินเห็นทองเห็นรถเห็นนู่นเห็นนี้อันนี้เอาไว้เพื่อโลกดุนยาอย่างเดียว ส่วนตาอีกสองอันที่อยู่ในใจเนี่ยนั่นสําหรับมองโลกอาเคโลอัลลอฮฺสอนดีมากกับคนที่ตาบอดเนี่ยคำอธิบายดีนะตาที่บนสม บ, บนศีษะบอดเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่ออะไรลเลยอา้าวมองเมียไม่เห็นตกนรกไหมไม่ตกมองบ้านไม่เห็นเอ้บ้านชั้นนี่เป็นยังไงเนี่ยพอ ม, มองไม่เห็นเนี่ย อันตรายมีไหมไม่มีแต่แต่ตาหาว่าใจมันบอดสิถ้าใจบอดเมื่อไรนะอันตรายทันทีหรือมองอะไรไม่เห็นเลยอัลลอฮ์มองไม่รู้สุนานะนบีมองไม่รู้ม อ, าามองลึกอาคิ้ร่บไม่ออกเลยสรุปนะตาบอดสองข้างไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองแต่ถ้าใจบอดเมื่อไหรนะเป็นอันตรายทันทีอัลฮัมดุลิลเพะคะนั้นเราต้องขอดวงอานาบีขอดวอาอย่างงี้ Allahu masabit قلبي على دينك وعلى طاعتك โอ้ Allah, um al al oh, Allah โปรดทำให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงอยู่กับาศาสนาของอัลลอฮฺโดยเถิดแล้วก็ให้หัวใจของฉันนะั้นเป็นคนที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัอลลอฮฺโดยเถิดอุลามะเขาแนะนำดีตอนเช้าๆนะตอนลูกจะไปโรงเรียนนะ่ะช่วงนี้โรงเรียนปิดใช่ไหม ลูกจะไปโรงเรียนทำไงนะ่ะพ่อเนี่ยเอามือวางที่หน้าที่หน้าอกลูกหรือหน้าอกหลานถ้าเป็นลูกผู้ชายเอารอคุมมะท้าหิรกลบบาูว่า حسن ฟาร์เจหูว่าวักฟิดจำบแปูไปวอะไรโ อ, โอโล้ล l l a h โปรดรักษาหัวใจของหลานของฉันหรือลูกของฉันนี่ให้สะอาดด้วยเถอแล้วก็รักษาอะไรนะอวัยวะเพศของลูกของฉันด้วยเถิดแล้วก็อภัยในความผิดที่ลูกได้ทาไว เขาขอดวงอาออย่างนี้ทุวันทุวันทุวันถ้าในบ้านมีสามคนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีโต๊ะไปสลามพ่อพ่อก็ขอดวงอาบทนี้แหละไปสลามแม่แม่ขอดวงอาบทเดียวกันไปหาโต๊ะโต๊ะขอดวงอาบทเดียวกันถ้าเอาล้อยรับสักหนึ่งคนลูกระปลอดภัยไหมปลอดภัยครับยาเสพติดก่อนไม่ติดแต่อ่า น, นังเรียนหนังสือจบเอาห้ามดวงเลยละนี่ไงฉะนั้นดวงอาสําคัญครับ ท่าต้องขอดุทิศตอบรับนะครับให้กับตัวเองขอดุทิศให้กับภรรยาขอดุทิศให้กับสามีขอดุทิศให้กับลูกๆแ ล, ละหลานนะครับที่เราดูแลอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นของอายะที่แลว้วนะครับอายะมะอาทิตย์ที่แลว้ววันนี้อายะที่สี่สิบเจ็ดนะครับไยัสตัดิลูกะบิลอาลา و َ ل َ ي يخلف َِ الله وعده َ وإنما ََِّ يوما عند َ ربك َ ك ََ ل ف سنة ََ مما تعدون َُ ويستعجلونك ََ بالعذاب و َ ل َ ي يخلف َ الله وعده و إنما يوما عند ربك كالفسنتين مما تعودون الحمد لله ا ل l ه أ ك a ر อันคุณอ่านอา u า a ย์อ a านได้ความรู้ครับพี่น้องเอาดูคำแปลยักษตนพวกเขาเนี่ยรบร้าบี หรือว่าขอร้องขอร้องให้เร่งหน่อยขอร้องต่อนบีมุฮัมมัดให้รีบเร่งหรือรบเราให้เกิดขึ้นให้ไว อ, อิสตาจัลยาสตาญิลูบอกขอให้เกิดให้ไวเกิดช้าเกินไปต้องการจะให้มันเกิดไวๆอะไรบ้างครับอัลลาฮาการลงโทษพวกเขารบเราให้เร่งในเรื่องการลงโทษ แต่ว่ายาสตาดีบอว่ารีบเร่งยาสตาดีลุนแต่อะไรนะรีบเร่งขอให้รีบเร่งใครขอครับอลัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังคนกุฟฟาตสรับมุสริกีนในนครมักกะหัวหน้าหัวหน้าเป็นใครรู้ไหมลุงท่านเองชื่ออะไรอบูอบูยาฮัลอาบูยาฮัลนี่อัลลอฮ์อัลบัดเป็นพี่น้องชายของพ่อ แล้วก็ต่อต้านนาบีมุฮัมมัดนทุกสุดเลยแล้วก็พวกเขาอยู่เขาคนเจ้าพ่อหมู่บ้านนะนะโอ้ลุงน้อง น, นี่เต็มเลยใช่ไหมบอกกับท่านนาบีนี่อัลลอ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังว่าลุงของท่านนี่อเพื่อนฝูงของเขาที่แอนตี้นบีมุฮัมมัดที่แอนตี uran, ้คุรานแอนตี้สุนนนบีแอนตี้อิสลามที่มาจากอัลลอ์เนี่ยพวกเขาเนี่ยรบเร้านาบีมุฮัมมัดให้รีบเร่ง ในเรื่องการลงโทษว่าเมื่อลั่มันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างเช่นนบีสัญญาว่าใครที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ไม่นับถือพระเจ้าองค์เดียวเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะลงโทษใครที่ไม่เชื่อวันนุนวันเปียามะใครที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิรอเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะลงโทษโดยอ้างอ่ะสมัยนบีมูซาก็ถูกมาแล้วใช่ไหมฟาโร่สมัยนบีนัวก็ถูกมาแล้วนบีเล่าให้ฟัง พอมาสมัยนบี ม, มุ h ั m m a d ก็บักไหนล่ะโทษนะเอามาไวๆสิเห็นไหมเอาลงมาไวๆสิฉันจะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใช่ไหมอลัลลอฮ์ถามว่านะพวกกาเฟขอร้องนบีเนี่ยขอร้องถูกหรือเปล่านาบีเป็นอัลลอฮ์หรือเปล่านาบีไม่ใช่อลัลลอฮ์นบีเป็นคนจะนั้นขอให้นบี ให้เอาลงโทษมาไวๆนะขอคนผิดมันจะขอจากใครนะขอจอากอัลลอฮ์ตรงๆแต่บางทีเราก็สับสนเหมือนกันนะเออขอนบีกับขอ อ, อัลลอฮ์เนี่ยอันไหนจะถูกนึกว่าขอนบีนาบีกับ อ, อัลลอฮ์กลุ่มเดียวกันไม่ใช่หน้าที่ของนบีมุฮัมมัดนั่นหน้าที่อะไรนะสอนศาสนาไม่มีหน้าที่เดียบลงโทษใครไม่มีหน้าที่ยีบจักการใครดาใครก็ไม่ได้ด้วย ฉันมีหน้าที่นบีมีหนา้นาที่สอนสอนสอนสอนสอ น, สอนถูกรังแกถูกรุนถูกนี้ถูกดินคว้างถูกทรายคว้างถูกหินคว้างถูกเอางูลสัตว์มาวางบนราคาไอ้บนหลังข้าง่านนาบีนเฉยหมดเลยอะ่ะนบีนไม่เคยแก้แค้นเรื่องส่วนตัวนะนบีไม่เคยแก้แค้นอันนี้ดีมากนะนักนบีไม่เคยแก้แค้นเรื่องส่วนตัวใครจะดา่นาบนาบีนบีไม่เคยด่ากลับ ใครบึ้งกับ น, นบีนะควีนบีไม่เคยบึ้งกับไม่เคยครับนบีม่แต่ให้อภัยให้อภัยให้อภัยเอาต่อมาครับวายสตาจิลูนากบิลาจาบพวกเขารบเร้านบีมุฮัมมัดสุลัยุสลมให้เร่งให้รีบให้เร่งในการลงโทษว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นเมื่อใดให้นำเอามาไวไว ฉันจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองขอผิดถ้าอาซาบมาแล้วรอดไหมล่ะรอดไหมไม่รอดสักคนหนึ่งตายหมดเนี่ยอาหยางฟาโรเนี่ยโจมน้ำตายด้วยไหมตายตายไปท้องแล้วโอกาสรอดมีไหมไม่มีโอ้แค่นั้นอย่าอย่ารีบขอดวงอาให้ลงโทษคนหนึ่งคนใดอย่ารีบแต่พวกเราเนี่ยนะพวกเราจะขอรอกมา ก, กขอให้มาไว อั น, นี้คือเหมือนกันเวลาจะลงก็อย่าลงไวๆลงให้ทันตาเห็นทั้งหมันไส้คนนี้เหลือเกินอย่าไปขออย่างนั้นเลย อ, อย่าไปขอนะครับเอ้าอัลลสัญญาว่าไงครับวลาดยุคลีฟาบ ล, ล็อคว่าเดาแท้จริงอ่าอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่สงผิดสัญญายุคลิฟาแปลว่าผิด อลัลลอฮ์ไม่ทรงผิดสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆจะเกิดขึ้นก็ตามอลัลลอฮ์ไม่เคยผิดสัญญาอลัลลอฮ์พี่น้องอลัลลอฮ์คำอลัลลอฮ์พูดดังกระพือกุนอ่านบอกว่าในวันเตียมะนี่นะอลัลลอฮ์จะให้ทุกคนฟื้นนะก่อนฟื้นต้องตายก่อนมนุษย์เกิดเท่าไรต้องตายเท่านั้นสัญญาของอัลลอฮ์นี่ไม่ผิดเพี้ยวนะแต่ทุกคนเนี่ยตอนนี้มีใครเหลือบ้างไหมอายุสามร้อยมี้ห ไม่นี่อย่างเต็มที่ก็รอ้รอแปดปีร้อยสิปีที่ญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้านมันลงข่าวมันซื้อเพิ่แล้วก็อ่านพบนะนะย่างเต็มที่อายุของมนุษย์กี่ปีเจ็ดสิบหกสิบเจดสิบเจดิบกว่าก็ส่วนใหญ่ก็มีเหมือนกันก็น้อจะรุ่นเราหรือสาวจะยาวเป็นดินหนุแข็งแรงหน่อยนีย่กินอินทรีย์ลำกินน้ำผึ้งกินน้ำมันไซโตนใช่ไหมก็ดูแลสุขภาพย่าสูบบุรีอย่าเล่นอย่าดื่มของฮาลอมึนเมาก็าสุขภาพมันก็ดีขึ้น อายุมันก็ยาวไปนิดนึงต่อไปนะครับตัวร้องว่าอัลลอ์เนี่ยไม่ทรงผิดสัญญาที่สัญญาไว้นะครพี่ผู้อ่านเป็นไปตามสัญญานั่นทุกประการเช่<ม>ชนลูกที่อยู่ในคันเลลราสัญญาไว้อยู่กี่เดือนเก้าเดือนสิบเดือน6กเดือนหกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้แหละไนลองละคลอดออกหมดนี่ แต่พออายุหกสิบเจ็ดสิบก็ตายหมดนันก็ตายจริงๆด้วยไม่มีอัลลอฮ์ไม่เคยผิดสัญญาสัญญาที่อัลลอฮ์สัญญาไว้หรือบันทึกไว้หรือกําหนดไว้เดินไปตามสัญญาทั้งหมดเลยเอาต่อมาในเรื่องที่สามนะเรื่องเรื่องที่สื่งอะไรนะรีบเร่งให้ให้ลงโทษเรื่องที่สองสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เคยผิดสัญญาเรื่องที่สาม ว่ AN 1, 000, 1, 000, ว ي, ي 1, าอินนัมยามันไงในรับบิกะกาอัลฟิสานะอัลฟิแปลว่าพันหนึ่งพันว่ามีอ้าหนึ่งร้อยอัลฟุนหนึ่งพันสนะแปลว่าปียามันวันหนึ่งแท้จริงวันหนึ่งตามการคำนวนณณพระผู้อภิบาลของท่านนั้นเท่ากับหนึ่งพันปีตามที่สูเจ้านับ นี่เพิ่งเจอกุณละอันวันหนึ่งของอัลลอฮ์นานเท่าไรพี่น้องหนึ่งพันปีตามที่ต่ออุดูนตามที่ท่านนักนับเนี่ยนับปีนับวันใช่ไหมเท่าไร่พันปีเท่ากับวันหนึ่งของอ AH, ัลลอฮ์ซุนพาหูวาตาลาเอายาวรือสั้นจินตนาการไม่ได้แล้วเราเราแน่จะหาว่าพันปีเนี่ยเกิดกี่ครั้งเกิดแล้วก็ตายกี่ครั้ง อย่างน้อยสิบปีใช่มปีลรอยะร้อยละรอ้ะร อ, ร อ, รอก็สิปีมันก็พันหนึ่งใครถึงว่า่ะนี่อัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์อักุรอานว่าวันหนึ่งของฉันที่อัลลอฮ์จะจัดการทั้งโลกอาคิอรอก็อดีเรือดุลยานี้ด้วยนะวันหนึ่งของอัลลอฮ์นานเท่าไหร่นะพันปีเท่ากับที่พู้เจ้านับอยู่ในวันนี้อาทีนี้ถ้าพันปีพี่น้องนึกนะบางบางอาย่านะในสุรามาอาริชนะ ตัรูจุลมาลาอิกาตุวรูห์อะไรคุลีอยาวมิสบัยไอ้คมซีนะ่ะอัลฟาซดะติมมิมมาประมาณห้ามื่นปีอิสรอหนึ่งซูลอมาอิดวันหนึ่งของอัลลอ์นานประมาณห้ามืนปีวันหนึ่งขอ ง, Allah, นน 50, นนงขอัลลอ์พันปีนี่ต้องการจะอธิบายว่าคนที่ตายเนี่ยนะทุกคนเวลาฟื้นขึ้นมายืนอยู่ในทุ่ง ม, มชัช รอการตัดสินของอัลลอฮ์นั้นมีอยู่สามกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งจะต้องยืนนานประมาณห้าหมืนปีจนกว่าจะถูกตัดสินไว้อ่ะห้าหมื่นปีอ่ะอลลอฮ์พะผู้เป็าบางคนยืนนานประมาณพันปีอันวันในของอัลลอฮ์เหมือนกันแล้วก็อีอกอีคดีสบนงึงบางคนยืนนานตั้งแต่เวลานามาสุรีมาถึงอัสสรา อรรถตัสสินให้เข้าเลยเข้าสวรรค์เลยเอาจะเลือกจะอยู่กลุ่มไหนจะอยู่ห้าหมืนปีก็เชิญจะอยู่พันปีก็ได้หรือจะอยู่เท่าไรตั้งแต่นามาโซห์ถึงนามาตอาศาตพี่น้องกนนึกภาพออกคนที่ยืนนานตั้งแต่นามาโซริถึงอาสรนะี่มีอยู่หมดเจกลุม่มเจ็ดกลุ่มเท่านั้นเองทั้งทั้งโลกนี้มีอยูอเ่เจ็ดกลุม่มพี่น้องเอาลายฟังเลยหนึ่งอิมาโมนาดิน ผู้นำป ก, ปกครองโลกใบนี้หรืออิหมามนำนามุงนมาได้ใช่หมดนั่นแหละอิหมามที่อาดินพี่น้องอิหมามที่ยุติธรรมคุติธรรมตัดสินเขาด้เป็นผู้นำคนนะพี่น้องแต่เป็นผู้นำแบบดีๆนะยืนในทุกงมาชัดท้ากว่ายืนตั้งแต่นามาดูรีถึงอสัสริตัดสินเลยเรื่องที่สองชาบุญน้ชาอาฟิยาอิบาร์ดาติราบีคนหนุ่มหรือคนสาว ที่ใช้ชีวิตอยู่กับการพักดีต่ออัลลอฮ์ชีวิตไม่เคยทำบาปชีวิตอยู่กับอัลลอ์ตลอดเวลาเลยยืนบทุ่งมาชัดถ้าตาตอนหนุ่มๆ น, นะชีวิตของเขาอยู่นานเท่ากับนามาซุรีถึงอาสรีเชิญเลยครับอากุมที่สามผู้หญิงหรือผู้ชายสองคนที่รักกันเพื่ออัลลอ์แล้วก็แยกจากกันก็เพื่ออัลลอ์อยู่บนทุ่งมาชัดนานเท่ากับยืนนมาซุรีถึงอสรี ผู้ชายที่มีผู้หญิงมาให้ทายมาชวนไปทําสีนาอารถมารับเลยว่าพี่ไปไปกับหนูผู้ชายว่าฉันไม่ไปกับเธอหรอกอินนีอะคอฟุลลอฉันกลัวอัลลอหมีไหมในโลกนี้มีนะอย่างนาบีอะไรนบียูซุฟมา ล, ลายิสซามเนี่ยเขาไม่ทบาบาปเหมือนทั้งอยู่ในบ้านบ้านผู้หญิงอะ่ะอย่าเงียบยืนตั้งแต่โสดถึงอาซาสทลายแล้วสามตัวสี่แล้วสี่แล้ ว, ลวข้อที่ห้า คนที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดก่อนบูฮูหมอน ล, ละกุลบิลมาซาจิตหัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดนึกถึงนมาดนึกถึงสุเราวนึกถึงนมาดถึงมัสยิดหรือมานนมาดพยายามรักษาอามันมัสยิดเป็นประจำอะตัวนี้ยืนนานเท่ากับซุฮุดจนอาสรีนี่ห้าเลยนะหคนที่บริจาคทรัพย์สมบัติของเขาเงินของเขา มือมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายยังไงไม่โฆษณาทําลับๆเอาอไปหนึ่งหมื่นหนึ่งเอาหมดแสนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอกาสไปสวรรค์สูงไหมสูงครับแล้วข้อสุดท้ายก็เจ็ก็คือนึกถึงอัลลอฮฺฝ่าบาทไอหนา้าเขาร้องไห้น้ําตาเขาไหลเหมือนนึกถึงอัลลอฮฺนึกถึงตัวเองทํำบาปไว้อะไรไว้นึกถึงในอดีตเนี่ยโอ้ฉันก็ผิดไปเยอะยา่าละอาภัยโทษให้ฉันด้วยร้องไห้เสียใจ ตอนอยู่คนเดียวนะมันจะร้องต่อนหน้าคนนะ่ะอยู่คนเดียวชาว บ, บ้านก็หลับหมดจนตื่นตื่ น, นมามานั่งร้องให้คนเดียวนี่แหละเจ็ประเภทนี้จะอยู่ในทุ่งมาชัดแป๊บเดียวอลัลลอฮฺพาเขาสวรรค์เลยอีกสองกลุ่มนั่นก็ห้าหมปีอีกกลุ่มหนึ่งเท่าไหร่พันปีเอา้าจะเลือกเอา้าไปน้องจะอยู่พันปีก็ชาดุนยาให้มันอร่อยไปเลยไปน้องไม่ต้องเบรกกันแล้วไม่ต้องแตะเบรกเจอไฟแดงก็ไม่เบรก เอาเลยตเต็มที่เลยแล้วก็พันปีหรือมากกว่าห้าหมื่นปีในชีวิตใน้ลกอาคียรออัลลอฮฺอักบตว่วาอินนามายามันอินดรับบิกะกะอัลฟิสนาติมมิมมาตาอุดูนอัลลอฮฺอักบัตแท้จริงวันหนึ่งนะระผู้อาภิบาลของท่านนั้นกะอัล ฟีเซนะเท่ากับหนึ่งพันปีมิมมาจะเอาโดนตามที่สูญเจ้านับอธิบายชัดเลยครับอิรอามทูนง่ายเข้าใจง่ายใช่ไหมพันปีอัลลอฮอัลกุบะดีน้องฉะนั้นเอามาดูคาอธิบายดีนะถ้าวันหนึ่งของอัลลอเนี่ยยาวเท่ากับพันปีในในอายาต่อมาครับในอายาตต่อมานี่นะ ผู้อา่านอธิบายต่อไปอีกนะครับคือเป็นงนี้ในตับเซตอิบนุกะเซตอธิบายบอกว่ามีชายคริสเตียนอยู่คนหนึ่งท่านอิหมามอิบนุกะเซตนะได้อธิบายว่ามีชายคริสเตียนอาลุลกิตาบคนหนึ่งมาอา่อ า, อ า, านกุรานอาย่านี้แหละเขาแอ บ, บอ่านกุรานกันนะคนสมัยก่อนเนี่ยอ่านว่าไงนะวายาสเจ้าจีรูนกับบินมาดับวะไลยุคลิฟัลลอฮูวาเด วَ إ ِ ن َّ م َ ا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ เพราะมาเจอเรื่องนี้นะ่ะวันหนึ่งของอัลลอฮ์นานเท่ากับพันปีเขานั่งคิดแล้วเขาอ่านอายะอื่นพ บ, พบว่าอัลลอ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินภายในหกวันเขบาบอกใช่เลยหกวันก็หกพันปีใช่ไหมแต่อีกอายะหนึ่งวันหนึ่งของอัลลอฮ์เท่าไรนะ ห้ามืนปีถ้าหกวันเท่าไรกี่แสนสองแสนสามแสนสิเห็นไหมสามแสนปีใช่เลยรับอิสลามเลยพออา่านกุรานจบมองเหตุการณ์นในคัฟีคุรานอาลลอฮพูดไปสองอย่างหนึ 1, ่งพันปีอีกอายาหนึ่งห้ามืนปีหกวัน ก็สามแสนปีสร้างอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างมนุษย์สร้างภูเขาอะไรจะอลไรรวมแล้วหกวันหกวันก็สามแสนปีเออเนี่ยมันตรงกับวิทยาศาสตร์เนี่ยรับอิสลามเลยเห็นไหมนี่พี่น้องเวลาอ่านคูอ่านตัดใช้ปัญญานิดหนึ่งอัลลอฮฺอัลลอฮฉะนั้นถ้าหาไม่อ่านคูอ่านเราไม่รู้เลยว่าโลกใบนี้เนี่ยอายุมันนานเท่าไหร่จินตนาการไม่ได้อะ แล้วข้างบนเนี่ยอาาจัอยู่ข้างลงอยู่ข้างบนบัลลังก์ของเราอยู่ข้างบนอยู่ยังไงเราไม่รู้อะแล้วก็เนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะใช้เวลาห้าร้อยปีลงอีกห้าร้อยปีเราขึ้นได้ไหมอพอลโลที่จะขึ้นขึ้นที่ของอเมริกาจะส่งไปมันแค่เล็กๆในนอยๆะเฌนี้ลึกๆไปไม่ถึงเกินความสามารถเกินจินตนาการของมนุษย์ที่จะเดินทางไปสู่นอกโลกได้นะครับ นะครับต่อมาอายที่สี่นะครับว่ากไอยิมิกอริยตินอำไลตุลาห่าวะฮียะัลิมะซุมมาอาตุลาว่าอิไลยลมาซีรว่ากัไอยิมิง กอริยนอมไลตุฮธอว่าธอี่ที่ทอ่นี่มี่มี่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ี่ทว่ทีอทีมิี่ที่ที่นี่ที่ที่ทว่าี่ทั่ที่ที่ที่ทีะที่ที่ที่าี่ทร่ที่ืี่ที่ท่ี่่ อัลลตูแปลว่าฉันได้ประวิงฉันได้ประวิงอัลลอฮ์ถามนักพิธีกุนอ่านบอกว่าวกะไอยิมมิ่งกอติยะตินและตั้งกี่เมืองมาแล้วตั้งกี่ตำบลมาแล้วกี่ประเทศมาแล้วกี่จังหวัดมาแล้วเราอัลลอฮ์อํมไลตูได้ประวิง ได้ประวิงเวลามาถึงไม่รีบลงโทษไอ้ที่พวกเขาขอให้ลงโทษน่ะเอ็งถูกแน่ๆไม่ช้าก็าไวแล้ววันหนึ่งของอัลลอฮ์เท่าไรพันปีเดี๋ยวอุลมามะอธิบะยานีต่ออัมไลตตูฉันได้ประวิงเวลาไม่รีบลงโทษคุณวะฮิยาลอเล ม, มาตุนทั้งๆที่คนในหมู่บ้านนั้นน่ะเป็นคนอะไรนะจอเลมยอเลมแปลว่าอะไรเป็นคน ชั่วเป็นคนอาธรรมอา้าอาธรรมมีอะไรบ้างไม่ยอมรับถือในอัลลอฮ์องเดียวนั่นอาธรรมหรือยังอาธรรมแล้วแต่อัลลอ์ไม่ลงโทษนี่นาะอุลมาก็อธิบายไว้ดีนะคนที่จังหวัดใดประเทศใดที่ไม่มีมุสลิมสักคนหนึ่งในเมืองนั้นนะอัลลอฮ์ยังไม่รี บ, ไ ม, รบไม่รีบลงโทษหรอกถ้าหากว่าเมืองนั้นกดขี่ประชาชนเมื่อไหร่ ฉันก็จะเริ่มลงเล็กๆน้อยๆให้ผู้นํานั่นเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีทางอัลลอฮ์อดทนได้ไม่โซยูตอัลลอฮ์ไม่กราบอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักกุรานไม่รู้จักนบีอัลละฮ์ทนได้หมดอแหละแต่ถ้าหากว่าผู้นํากดขี่ประชาชนเมื่อไรอัลลอฮ์ก็จะเริ่มลงโทษเล็กๆน้อยๆให้เขาได้สํานึกตัวเช่นฟาโร รโรมาอฟารเนี่ยผมอ่านกุรานพบเมื่อวานเองฟารอดูถูกนบีมูซาสองเรื่องมูซานั่นฉันกับมูซานะ่ะใครดีกว่ากันฟารถามนะอาณาคอยรุ่นฉันน่ะดีกว่ามูซาทังเยอะเพราะมูซาเป็นหายินเป็นคนต่าตําๆเป็นทาส แล้วก็เป็นพวกบันีอิสราอินกลุ่มบันีอิสราอินเนี่ยเป็นทาสคนตามตามต้อยไม่มีเกียรตินี่ภาษาที่ออกมาจากใครถูกไหมออกมาจากฟารโรชัยตอนตัวแสบเลยเนี่ยดูถูกคนเหมือนกันฟารโรนั่นอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์เล่าในคัิร์อุุร า, านนะนิสัยของฟารโรนั่นดูถูกนบีมูซาว่าเป็นให้ยินให้ยินแปลว่าตามต้อยทําไมละ่ะเพราะเป็นทาสบันีอิสราอินเป็นทาสครับ พอฟาโรอามาเป็นทาสทั้งหมดเลยแล้วก็อีภาษาหนึ่งก็คือพูดภาษาไม่รู้เรื่องพูดไม่ชัดดูถูกสองรายการแต่สรุปแล้วนะนบีมูซานี่นะเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์ประชาชนอุมมาของนบีมูซาเป็นรองลง ม, มาจากอุ ม, มาของนบีมุฮัมมัดที่รับอิสลามมากรองจากนบีมุฮัมมัดทั้งทั้งที่พูดจาไม่ชัดนั่นแหละเห็นไหม นี่เป็นความสามารถของกายของอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตะอัลดาใช่ไหยให้นบีมูซามานั่นทั้งที่พูดจาไม่ชัดแล้วฟาโร่เองก็ดูถูกว่าเป็นคนต่ําต้อยไรยเกียรติไม่มีค่าในสังคมแต่ที่ไหนได้เป็นคนที่อัลลอฮฺอักบานเรียกร้องคนให้รู้จักอัลลอฮฺเป็นที่สองรองลงมาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลออฺอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมยิ่งใหญ่กขนาดไหนครับเองการเรียกร้องสู่อิสลามนั่นนะ เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับการแนะนำคนเชิญคนให้รู้จักอัลลอสุบฮานหูวะตาละวกะไอยิมมิงกอริยะจินอมัมไลตุฮาอัลลอสอนให้คิดนะและตั้งกี่เมืองมาแล้วเราได้ประวิงชาวเมืองไม่ลงโทษพวกเขาทั้งทั้งที่พวกเขาจอรีมะอาจทำแล้วก็ทำบาป เอาพี่น้องถ้าเราคิดว่ามันไม่อยู่สองอาย่นะห้ามืนปีกับพันปีนี่อันจบตัตซีภาษาอุรดุดูอธิบายดีนะเขาบอกว่าถ้าอัลลอ์ประวิงเวลาให้ครึ่งวันต้องใช้เวลานานถึงห้าร้อยปีเพราะวันนึงพันปีถ้าประวิงเวลาไม่ลงโทษครึ่งวันเท่าไรห้าร้อยปีไม่ถึงอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ประวิงใครมันงห้าร้อย 500, ครึ่งวันก็ไม่มี ถ้าหากเอารอบประวิงเวลาให้สองชั่วโมงต้องใช้เวลานานถึงแปดสิบปีนี่เรานี่นะอัลลอฮฺให้มีให้อยู่บนโลกบุญญาใบนี้นะแค่สองชั่วโมงนะอายุเท่าไรแปดสิบปีถ้าหากเอารอบประวิงเวลาให้หนึ่งชั่วโมงถ้าคิดแค่พันปีนี่นะหนึ่งชั่วโมงต้องใช้เวลานานถึงสี่สิบปี เนี่ยพวกเราเนี่ยอลซอรีเสียชีวิตอายุเท่าไหร่นะหกสิบแปดเนี่ยเอาเล่ให้เวลาเท่าไหร่2ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งอยู่บนดวงดานี้แค่ชั่วโมงครึ่งเห็นยังนี่ถ้าเทียบพันปีนะถ้าเทียบ5้าหมือนอ่น่ะติ๊กติ๊กติ๊กนาฬิกาติกต๊กติก๊กติ๊กแค่นั้นเองอะ่ะแคนั้น แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะให้ตัวนรกทําไมถ้าเทียบแค่พันปีเนี่ยนะใครที่มีอายุแปดสิบปีอายอให้อัอลลอฮ์ให้อยู่บนโลกดุญญนยาเบนี้นานกี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงถ้าหากว่าอายุสี่สิบปีอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้อยู่บนโลกใบนี้เท่าไหร่หนึ่งชั่วโมง ถ้าหากอาลัลลอประวิงเวลาให้สามสิบนาทีกี่ปีครับยี่สิบปีถ้าหากอาลัลลอฮประวิงเวลาให้สิบห้านาทีเท่ากับสิบปีถ้าอาลัลลอประวิงเวลาไว้เจ็ดนาทีครึ่งเท่ากับห้าปีเอาคิด <c oughs> อลัลลอไม่ลงโทษอลัลลอจะเอาคนนี้นกลับฉันให้เวลาเจ็ดนาทีต้องรอกี่ปีครับเจ็ดปี ท่านให้เขาอยู่บนโดนยานเนี่ยสองชั่วโมงสี่สิบแปดสิบปีเห็นไหมคิดถึงอัลลอฮ์เยอะๆไปนองครับเพราะว่ามันเกินความสา ม, มารถของเราจะจินตนาการได้ห้ามเลยๆไปนองขอบคุณอัลลอฮ์สุภานะฮูาวาตาละนะครับอาทีนี้มาดูกลุ่อ่านต่อซุมมาอาคอสตุฮาแล้วต่อมาฉันก็ลงโทษพวกเขาปวิงเวลาแล้ว ถามว่าไอ้ประวิงเวลาเนี่ยเพื่ออะไรประวิงเวลาเพื่อให้เขากลับตัวนะอัลลอฮฺไม่เล่นงานเขาเขาทําบาปมาตั้งเยอะแยะนี่ไปน้องแต่อัลลอฮฺประวิงเวลาให้ให้กี่ปีครับเจ็ดนาทีให้เจ็ดนาทีครึ่งเท่ากับประวิงเวลาให้เขาอยู่ไปอีกห้าปีไอ้ห้าปีนี้อัลลอฮฺถ้าเราอ่านคุรานเข้าใจนะเราต้องกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองฟังศาสนาเรียนศาสนา เตาบ้าตัวตออัลลอฮ์อิสติฟาต่ออัลลอฮ์ซะพราะก่อนจะตายคงสุดท้ายแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ดีกว่าเห็นไหมปวยพิงเวลาเทย์ครับเจดนาทีกี่ปีครับหปีอัลลอฮ์เห็นไหมถ้าเทียงเวลาหนึ่งพันถ้าเพียดห้าหมื่ละติ๊กติๆๆติแค่นี้เองเข็มนาฬิกาพี่น้องเนี่ยถ้าอ่านกูอ่านใช้ปัญญาจะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาจะไม่กล้าทําความผิดอย่างเด็ดขาดนะครับพี่น้อง เ้าทุกท่ า, น จ, ากกนจะขอดูอาในละหมาดว่าไงอินนอสซาลาตีวานุสูกีวามหายายาวา ม, มามตีลิลลาฮิรับบิลอาลามีนเจาไม่เครแปลเลยอ่ะขอดีไมด่ดีโอ้อัลลอฮ์ละมาดของฉันการเสียสละของฉันการมีชีวิตอยู่ของฉันวันยี่สชั่วโมงและการตายของฉันลิลลาฮิ ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเอา้าวแล้วทําเพื่ออัลลอฮ์จริงหรือเปล่าน่ะปากมาพูดจริงอะ่ะแต่ตัวจรทําจริงหรือเปล่าพี่น้องอัลลอฮฺอักบาทไม่ได้ทํากิดดวอาขอดีไหมดีฉะนั้นพออ่านดวอาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เราขอดวอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานอฺาลาก่อนตายต้องมีอีมานชีวิตอยู่ต้องมีอีมานใช่ไหม Allah, อัลลอฮฺอัลกุบาทนมาต้องให้อัลลอฮ์พอใจเสียสละให้อัลลอฮ์พอใจ ใหอาพอใจให้หมดน่ะไปน้องเอาต่อมาครับว่าอิไลอัลมาซีในเรื่องที่สี่นะและทุกทุกรายนะและยังฉันคือการกลับคือทุกคนจะต้องกลับไปหาอาลัลลอฮ์หมดเลยไม่มีใครตกค้างสักคนหนึ่งมีไม้ยไม่มีครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกลับไปหาอาลัลลอฮ์เพื่อการชําระ เพื่อการตอบแทนเพื่อการชําระบัญชีทุกคนมีบัญชีครับอัลลอฮ์เก็บบัญชีแต่ละคนไว้ในสแหล่งพี่น้องนะหนึ่งแผ่นดินสองที่เท้าและที่มือคุณอานตรงไหนครับเนี่ยอะไรนะยาวมาอีดินตัฮัดดีสุอัคบารฮาแผ่นดินจะเล่าเรื่องของเราในวันเตียม ะ, ะ อ, อัลยามะนัคติมูอะลาอฟวาฮีฮิมวะตุกะลิมูนาไอดีฮิม วาตาชาดูอริุลหุบิมาการูยักซีบูญอัลลอฮ์จะให้มือและเท้าพูดในวันเตี่ยมาจบแล้วนี่สองรายการอันที่สามมาลกยกาที่อยู่กับเราเอิละเป็นพยานอันที่สามแล้วก็สมุดบันทึกของมาลายกาอิละสรายกา ร, ร, าการต้งทั้งหมดเลยครับสรายการเนี่ความดีที่ทําไว้ไม่หายไปไหนครับอยู่ที่อัลลอฮ์สุบคะนาวะตาละวาอิละอิลมาซีและยังฉันคือการกลับมาฟื้นคดีทั้งหมด เพื่อชำระความดีทั้งหมดหรือความชั่วที่ทำไว้อรรลาจจะตอบแทนตามที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้ทุกประการอัลลอฮฺอักบาร์กินองอัตอมาอายัดที่49กุลียะอายูฮันนาสอินนามาอานาละกุมนาฏีรุมมุบีน กุลยาอเยห์น้าสอินนามะอานาลักุมนาซีรุมมุบินอัลลอฮฺแต่ละอายะัยยมีความหมายหมดเลยแล้วไม่เกี่ยวช่องกับเราหมดเลยนะจงกล่าวเถิดกุลแปลว่ามมฆัมาดเอ๋อจงพูนี่ใครสั่งนะอัลลอฮสั่ง กุลยามฮัมหมัดอ่ามนุษย์มเออฮัมหมัดเออจงตำลีกจงด้ว่าจงสอนจงเตือนเตือนใครครับให้ เ, เตือนอว่าอย่างนี้ยาไอยูฮันนัสโอ้มนุษย์เอยนี่ภาษาของอัลลอฮ์บอกกับนบีให้พูดกับประชาชนเพราะเพราะยาไอยูฮันนัสประชาชนเออเห็นไหมพวกไหมเพราะนัาอยู่เลยไอยูฮันนัส เมื่อพวกกาฟิคําอธิบายนะเมื่อคนกาเฟตนําโดยอบูยะฮันเนี่ยขอร้องให้ท่านนาบีนําเอาการลงโทษมาเร็วๆตามที่อายาที่ผ่านมาอัลลอฮ์ได้ว่าให้นบีมุฮัมมัดตอบว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งฉันให้มาเป็นผู้สอนผู้ตักเตือนแก่พวกท่านเท่านั้นการลงโทษไม่ใช่หน้าที่ของ นบีมุ hammad สลลาะอัลัยฮิวะสัลลัมเห็นยังครับนบีมีหน้าที่สอนไม่มีหน้าที่มาด่าใครลงโทษใครเห็นไหมนี่แยกแยกให้มาเนี่ยโ อ, อ้แยกชัดเจนนบีมีหน้าที่สอนไม่มีหน้าที่ไปลงโทษใครนบีมุ h a ม m a d เป็นคนใจอ่อนใจเมตตาสงสารคนพี่น้องไม่เคยลงโทษใครเลยครับ ทั้งๆที่ถูกด่าถูกตําหนิสารพัดพูดว่าไงนะอัลลอฮ์อาพยาโทษให้เขาด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้ที่ด่าฉันอยู่อัลลอฮ์พี่น้องอัคราสนาบีมาใช้สักสิบซ็นไปอย่างดีนะ Allah, คับอลลอฮ์กุลยาอายูฮานาฉงกล่าวเตือมุฮัมมัดเอย๋ยให้กล่าวว่างี้โอ้มนุษย์เอย๋ยแท้จริงอินน่ามาแท้จริงฉันเป็นเพียง อาณะฉันเป็นนารีรุนผู้ตักเตือนนี่อาชีพนี่อาชีพสอนคนนะ่ะดีไหมดีมากเลยสอนลูกอย่าเป็นนึกเยอะอย่าเป็นเหียกว่าถ้าสอนคนต้องนั่งบนเวทีออกทีวีอย่าเป็นนึกท่านต้องอ่านคูตบวบางอย่าเป็นนึกอลัลลอสอนภรรยานั่งสอ น, นเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ เมื er os os ่อก่อนเนี่ยเธอไม่คุ้มผมตอนนี้เธอคุ้มผมอาล้ัมดุลิลิกให้กำลังใจอ่ะาลูกเราก็มากันวันนี้มันคุ้มผมอัล้วครัดุลิลิกเนี่ยเตือนพูดของดีๆเนี่ยเหมือนใครเหมือนนบีมุฮัมมัดสอราสลัมเพราะนบีบอกกับเอลอัลลอ์บอกกับนบีมุฮัมมัดท่านนบีพูดว่าอ๋อนาละกุมนาซีรุนฉันนี่นะเป็นผู้เตือนสู่เจ้าไม่ได้มีหน้าที่อื่นมาส ขนาดสอนอยู่มกะไม่ได้ต้องอพยพไปอยู่นครมาดีนะเห็นไหมก็เรื่องสอนนี่แหละเวันนี้มันไกลโบราณกว่าพว ก, ก, พวกสุ น, น่าถูงดาเยอะน่ะก็เอาสุ น, น่ามาสอนเนี่ยไม่เห็นเลยเอาสุนนาหเพียวๆมาสอนเนี่เป็น้องถูงดาถ้าสุ น, น่าครึ่งหนึ่งบิดอ้าครึ่งหนึง่งสอนสบายเลย <S <S อะไรอ่ะวันที่สิบเนี่ยนะกวนสุกอรอด้วยแล้วก็บววด้วยเองอยู่ได้ ถ้าเองจะเอาเฉพาะบวชอย่างเดียวไม่เอาสู้ก็เองอยู่ไม่ได้นะเ็นคณะไหม่นะต้อ ง, ต, องต้องจัดการลาตายให้ฝากนุบุบูโบเราเนี่ยนี่พวกเราเป็นยางงท้งวานนาบี ม, มนะูฮัมมัดสอนเรื่องมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วของที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยมันสะอาดบริสุทธนะิ์น่ะเรื่องประเพณีปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์ขวางทุกเรื่องนะไม่ใช่ไม่ขวางนะส่งใครมาขวางส่งนบีมูฮัมหมัดมาขวาง ส่งนบีมูซามาขวางส่งนบีนวามาขวางกันั้นในยุค ข, ของนบีมัดสุนนะของนบีมัดต้องเด่นในโลกดุนยาและอาคิรอนด้วยนะครับกุลยอายุฮันจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้มนุษย์เอ๋ยอินนามาอานาลักุมนาีแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้สอนผู้ตักเตือนมุบีน อะไรนะที่ชัดที่ง่ายที่สะดวกที่เข้าใจง่ายๆที่ชัดเจนไปเนาะคำสอนของนบียากตัวไหนไม่ยากไปเนะาะกุณอานก็ไม่ยากอาธิบายนิดหน่อยก็เข้าใจแล้วแต่ต้องอาศัยอธิบายนะถ้าไม่อธิบายคืออลัลลอฮ์ต้องการจะให้อ่านกุณอา่านตัวมีคนอธิบายเพราะอาธิบายแป๊บเนี่ยเข้าใจแล้วโอ้เห็นอ่านเองมาทีมึน อันเองนี่มันแค่พันปีถ้าไม่อธิบายย่อมโหลลบากเหมือนกันนะฉะนั้นพันปีถ้าเทียบเวลาของอัลลอฮห้าร้อยปีอัลลอ์เท่าไรครึ่งวันห้าโอ้อธิบายเห็นชัดเลยปะปะปะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาทีนี้นบีมุฮัมมัดไม่มีอำนาจที่จะลงโทษใครฉะนี้นการลงโทษเนี่ยมาจากอัลลอ์จะประวิงเวลาก็มาจากอัลลอ์จะรีบลงโทษก็มาจากอัลลอ์ อัลลอฮ์จะรับการตบาบาจะให้คนนี้เตอบาตัวก็มาจากอัลลอฮ์จะให้คนหนึ่งคนใดหลงทางไปเลยก็มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นต้องพึ่งอัลลอฮ์นะครับพี่น้องฉะนั้นคนที่ทําอะไรผิดถ้าสานึกตัวน ะ, ว ะ, ละกลับตัวซะแล้วกลับตัวในดีไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ชอบคนที่กลับตัวนะอัลลอฮ์อัลลอฮนี่บางคนกลับตัวแล้วก็ถูกฆ่าตายไปสวรรค์เลยนะ่ะ อาปกคอล่าเพรามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งทําทําสีนามาขอทองกําลังท้องอยู่มาหาท่านนาบีนบีนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะกันถึงมหาทานบีหนูท้องนบีก็เมินหะน้าไปทางอื่นไม่อยากจะยินนะนะก็เดินไปอีกหนูทองค่ะนบีว่ า, า, า, ากลับไปไปให้ขอดลูกก่อนะไรคอยมาไอ้ที่ให้กลับไปนะ่ะ ให้ไปเต้าบ้าตัวนัว่นแหละแต่ซื่อบือ้อเอาไม่เปได้นนะอยากจะเต้าบ้าตัวก็เชื่อนะพอท้องเสร็จก็มาหานบีปุ่มลูกมาโอรสุนหนท้องแล้วคลอดลูกแล้วเบียวกับไปก่อนไปไปทิ้งนมก่อน <c oughs> ให้เลิกนมก่อนแล้วค่อยมานี่สองครั้งแล้วนะให้ไปเต้าบ้าตัว พอทิ้งนมเรียบร้อยลูกกินโรตีได้อุ้มามาอีกแล้วมาอีกแล้วดูสิก็ต้องลงโทษนะก็อ l ล, ลงโทษแล้วก็ฆ่าแล้วก็อดีนคว่งอยู่ตรงทางตายแล้วเลือดมันกระเด็นไปถูกชายคนหนึ่งกระเด็นมหานาบีเลือดมันสกรปรกอ่าว่าอย่างนี้นบีรู้เปล่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้อ ล, ลอภัอยโทษให้แล้ว ถ้าจะเอาอภัยโทษเนี่ยจือแบ่งแบ่งกับคนชาวมากักกะน์เดี๋ยไปสวรรค์กันหมดใช่ไหมันบาคมเดือนนักไปสวรรค์หมดเลยอ่ะนั่นอย่าไปดูถูกคนที่แตบะตัวต่อรอดแล้วใช่ไหมนั่นคนที่จริงใจต่ออรอมีไม่มีหญิงคนนี้เป็นชาวสวรรค์เลยพอถูกควานแล้วไปไ ป, ไปสวรรค์เลยครับแตนที่ไอคนที่ทำดีนาวันนี้เนะี่ยที่อาเนเดบิลกลับไปก่อนอนะ่ะนั่นกลับไปเพื่อให้แตบะตัวต่ออัลลอฮ์ แล้วหลายคนวันนี้ยังไม่ตาบ้าตัวมีไหมวางแผนจะทำธีนาต่ออีกลูกที่หนึ่งมาแล้วคนที่สองมาอีกคนที่สามธีนาอีกอะไรล่ะขั้นการที่ไม่ฟังศาสนานี่มีแต่ขาดทุนกับขาดทุนหมดเลยนะเรียนศาสนาเยอะๆดีนะพี่น้องตลอดแต่ชะตอมันกวนนะเรียนปีหนึ่งพอแล้วพอแล้วเรียนสองปีพอแล้วพอแล้วพอแล้วอัลลอลลอฮฺอัลลอฮเอาพี่น้องอายะที่ห้าสิบอายะสุดท้ายนะครับ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة و ر ز ق كريم الله أكبر ยิ่งใหญ่ ajan ี فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ละหุมมาลฟิรต um ุวะริสกุมคาริมอัลลอฮุอัยบดุาอามาดูคนที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ระวังตัวดีดังนั้นอัลลอฮินะบรรดาผู้ที่อามานูอะไรศรัทธาศรัทธานี่ต้องหกประการนะอามันตุบิลละวะมัลลาอิกาติฮิวกุตุบิฮิ วรุษุลิฮีวัลยาบิลอาคิรวยบิลกอจจดิขายริฮีวยชรริฮีมินอัลลอฮฺต๊ะอาลัยหกข้อครัเนี่ยไอ้ข้อที่หกนี่เราลืมบ่อยเพราะเพราใครพูดเออจําได้เวลาเจอปัญหาจริงลืมรถชนกันอัดดาแหลกเลยท้ามนเดยที่เป็นก็ได้ก็ล้อบ้ังหนะนั่งนั่งอยู่รถ ไอ้เนี่ยท่านลมล่วงลงมาถูกศีรษะแตกหน่อยโวยวายด่าโตเสยเอะนึกถึงกอดั้องสิเอออัลลอ์เนี่ยอายุมันหมดพอดีกับล่งลงมาถูกเราเนี่ยมัน <"M ain S 2> ต้องนึกครับพี่น้องกอดอกดดเนรื่องใหญ่ครพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดไม่มีอะไรเกิดเองโดยไม่เกิดไฟเขียวบนชานฟ้าก่อนไม่มีครับอัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์ไม่นอนเห็นไม เซนตุนเวลานาวอัลลอฮ์เมืมองวังนวนอัลลอฮท่านดูแลตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับทั้งกลางวันกลางคืนจะให้คนนี้ป่วยคนนี้หายป่วยคนนี้ตายคนนี้คลอดลูกคนนี้อัลลอฮ์ในกองนี้ครับอัลลอฮ์ออจัดหมดไม่มีใครที่อยู่เฉยๆไม่ผ่านการอาุ ม, มัตของอัลลอฮ์ไม่มีครับพี่น้องเนี่ยถ้าเข้าใจอิสลามนะนะมองอะไรเนี่ยดีหมดเลยนะถ้าไม่เข้าใจอย่างเดียวมองอะไรผิดหมดเลย ถ้าเข้าใจถ้ารู้จักกัลอก็ไดก้ดกับอลัลลอฮ์นะปัญหาไม่เกิดนะทำอยู่เรื่อยๆฟัลลาีนาอามานูและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อมาครับวาหมิลุสโซลิฮาและประกอบการงานที่ดีทั้งหลายอัลลอฮ์เห็นไหมอามันที่ซอแล้วนี่ผมบันทึกมานะหะดิษผมนั่งเช็คหะดิษอยู่นะที่หาได้ยังหาไม่หมดนะสี่สิบสองรายการ เป็นอามัณทีโซเล่ยังมีเวลาอีกสิบนาทีเอาผมจะอธิบายให้ฟังอามัณที่ซเล่ย์เนี่ยคนที่จะไปสวรรค์อัลลอฮีนะอามานูวะอามิลุสซาลีฮัดอัลลอีรยัดคูลูนันจันนะคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ใครที่มีอักลากนิสัยสายสี่บสรายการนี้นะเขาเตรียมตัวไปสวรรค์ได้เลยหลังจากวิญญาณออกจากร่างข้อที่หนึ่งครับ หัวใจหัวใจของของเราเนี่ยนะต้องเป็นหัวใจที่นิ่มนวลเหมือนกับนกอฟอิดตุต้อยเหัวใจที่นิ่มนวลหมายถึงหัวใจที่ไม่เย่อหยิงจองของอวดดีตะการบุตรหัวใจไม่มีเนีนิ่มนวลข้อที่สองเป็นคนอ่อนแอแต่ต้องมีศาสนานะอ่อนแอถ้าไม่เอาศาสนามันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะ่ะอ่อนแอมายนคนยากคนจน เอามาดูชาวนารกสักสองข้อคนชาวนารกก็คือคนที่ใช้ความรุนแรงตัดสินใช้ความรุนแรงตัดสินใช้ตบใช้ตีใช้เตะใช้ต่อยใช้แทงสารพัดแล้วก็มารยาทเลวทรามแล้วก็จองห้องกวนดีตรงกันข้ามกับบ่ายคนตรงกันตัวใจที่นิ่มนวลเป็น้องใครจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับอะไรนะนิ่มนวลอ่อนโยนนะ แข็งกร้าวกระด้างผู้ใจหยาบคายชอบดา่าชอบตะก้อชอบเต ะ, ช อ, ตะชอบปล่อยชอบตบถ้าไม่ตาบ้าตัวต่วอรอ ก, ก่อนตายนะอันตรายครับข้อที่สามพี่น้องคนที่ปฏิบัติ ต, ตามสุนัขนบีทุกข้อพยายามเรียนสุนนัขนบีและปฏิบัติ ต, ตามนบีซะให้หมดพี่น้องอลรอพี่น้องครับบางคนเข้ามสัสยิดยังเข้าไม่ไปเลยเข้ามสัสยิดให้ข้าวเท้าไหน เท้าขวาบางทีเราก็ลืมอะลืมมาลอดนึกเรื่องอะไรท่าใดเ้าเอ า, เอ า, เอาข้าวเท้าขวาก็ถูกต้องตามสนุนนะนี่ยกตัวอย่างข้อเดียวนะข้อที่ 4, ส, กกมม ส, ส, สี่พี่น้องรักษามนมาสุนนะมูอะกาดะวันละสิบสองเราก็อ่านนี่หะดิษไปมามมุสลิมรักษานามาสุนัดนี่พี่น้องก่อนนามาสุโบสองเราก็อ่านก่อนนามาสุฮอดสีนะพี่น้องนะที่สองก็มี แต่ถ้ารักษาสี่นะดีกว่าสองแต่ถ้าไม่ไหวกว็สองถ้าป่วยกว็ไม่มีพระถ้าเดินทางก็ไม่ต้องทำเยี่มมากนะก่อนนามาสุโหตสหลังนามาสุโหตสองถลาย ไ, ไปแล้วสองสี่หกหกแล้วใช่ไหมแปสิแหลังมกริบอีกสิอีกสองเป็นสิหลังอิชาอีกสองเป็น12คนที่รักษานาะมาสุนาทุวันหนึ่ง12บสองเราก็อดนั้นตายปับ๊บได้ไปสวรรค์แต่ฟ้าดูต้องรักษาด้วยนะ มันจะดสุดนัดหมูอักกันได้อย่างเดียวแล้วฟันดูไม่เอ า, เ อ, า, เ อ, าอัลลอฮฺก็สลัดเขาจะหัวหมอพัวหมอเอาข้อที่ห้าพี่น้องติดต่อกับเครื่อญาติติดต่อกับเพือญาติให้ไหมพี่น้องเอาเครือญาติมีใครบ้างสิบสิบคนพ่อแม่พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวพี่สีแล้วนะญาติทังฝ่ายพ่อทั้งหมด ญาติฝ่ายแม่ทั้งหมดหกไปแล้วแล้วก็ใครนะลูกลูกสะพ้ายลูกเขยพ่อตาแม่ยายสิบเยอะไหมไม่เยอะแต่ที่เยอะก็ตอนพี่พอ่อน้องพอ่อพี่แม่น้องแม่อันนี้แหละเยอะหน่อยใช่ไหมเนี่ยติดต่อกับเพือญาติน้อ ง, ดองได้ไปสวรรค์น่ะเยี่ยมเยยนเขาอะไรเขามีตังมีตังก็ช่วยเหลือเขาต่อมาข้อที่หกผู้ที่ชอบเลี้ยงอาหารคน แล้วก็ลุกขึ้นมาตะฮัยุทธ์ ต, ตอนกลางดึกัมดูเลยละผมจะตั้งนาฬิกาปลกไว้ตีสี่สิบห้านาทีถ้าขึ้นตามโปรแกรมที่ปลูกไว้นะได้ทําหมดทุกอย่างเนะี่ยบางทีตื่นแล้วมือกดไปอีกอ้าวกดเดี๋ยวได้จะขอต่ออีกนิดหนึ่งทีไหนได้อาจารย์หมัดพอดีอ้าวตื่น อ, อ๋อวันไหนกดกดสดายวันไหนไม่กดก็ทำดูเลยละแต่เมื่อเช้าไม่ได้กด เราทำโดยเดาได้ได้เยอะสิได้ครบแล้วหละเราได้นู่นได้สุดนัดจากอะไรตะหันยุดได้วิเตอร์เราทำโดยเดาได้สิครุลลเราทำโดยเดาข้อที่7พี่น้องไม่ทำชิริกใดใดทั้งสิ้นเลยเนี่ยไปหาตัวตะเกียน่ะไปมาแล้วหลายเที่ยวแต่ตอนนี้อัสตาครุลไม่ไปแล้วไปปล่อยไก่ปล่อยเป็ดปล่อยห่านปล่อยนู่นปล่อยนี่ชิริกอย่างแรงเลยพี่น้อง นี่เลายปเดินตอบนะลบายกับลอฮุมม่าลบายลบายกัลาชาริกกับลบายอินนัลฮัมดะวันเนืมาตาละกัวันมุลลาชาริกกันั่นไปยอมรับว่าฉันใจไม่ทำชีริกไปยืนว่าตั้งิววันห้าวันใช่ไหมละบายกับลอฮุมม่าละบายพอกลับจะมาก้ามาแต่ไปจนตะเกียละแสดงว่าที่ไปขอดูอาร์วนไม่เข้าใจดูอาร์ที่เราขอไม่ทำชีริก ต๊ะจักเกียต๊ะระยองจริงจบอะไรต่้องใจอย่าไปนึ ก, กว่ามันศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่เลยพี่น้องทั้งหลายนะครับต่อมาข้อที่แปดพี่น้องพูดจาหน่ำนวลก็ เ, เรียกว่าอัปปะ บ, บุริก า, าพูดจากับภรรยาดีถึงเจ้าโมโห ก, ก็อย่ า, สาแสดงอาการพูดจากับลูกเห็นไหมนบีไม่เคยพูดกับลูกมึงกูไอซักไม่มีนะ่ะผมพ่อยาตเปิดอัลกุรอานบีเคยพูดแรงๆมีไหมไม่มีครับ เราก็ต้องนำมามาใช่เยลยหรเอา้เอาอัลลอฮ์ให้เราอยู่บนดุญยาในแปดสิปีกี่วันสองชั่วโมงแค่สองชั่วโมงนี่ตกนรกแหละคิดให้ดีพี่น้องเอาถ้าอยู่ในสี่สิปีเท่าไรหนึ่งชั่วโมงไ ป, ปล่อให้ตกนรกทำไมเอาต่อมากับข้อที่เกผู้ที่กล่าวประโยคนี้ทุกวัน สามประโยคนี้นะร่อด้วยอัลลอฮฺรับบะวับิลอิสลามิดีนาไไวับิมุฮัมมัดิรลุสูลแปลว่าอย่างไมฉันพึงพอใจที่จะให้อัลลอเป็นระผู้อภิบาลพึงพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาพึงพอใจให้น บ, บีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของเรานี่พูดทุกวันเช้าก็พูดเย็นก็พูดก่อนนอนก็พูดพยายามนึกนี่นี่ข้ออะไรนะข้อที่ข้อที่9้า ข้อที่ส0บใครที่มีลูกสาวสองคนเมื่อลูกสาวโตแล้วเนี่ยนะให้ลูกเนะี่ยเรียนศาสนาให้เข้าใจศาสนาสามัญนำนะส่วนทุกคนเรดัฐบารบังคับอยู่แล้วแต่ศาสนานเนี่ขาก็ได้บังคับอะ่ะก็เลยปล่อยแคนั้นให้ลูกเรียนทั้งศาสนาและสามัญเมื่อลูกโตแล้วก็หาสามีที่มีศาสนาแต่งงานให้เป็นไงครับ พ่อแม่ชุดคู่นี้ได้ไปสวนสวรรค์ของอัลลอ์ครับเห็นยังฉะนั้นพี่น้องคิดสามเรื่องพอนะวันๆนึง น, นะหนึ่งคิดยังไงจะหาเงินทำสตอกข้อที่สองวันหนึ่งอยู่งานให้มีความรู้เพิ่มเติมอันที่สามจะทำไงให้ลูกเราเป็นลูกที่สอนแล้วที่คุอับีพูดว่างไงนะเมื่อคนตายเนี่ย มีสามรายการที่ส่งผลบุญถึงคนตายได้ตลอดเวลาให้คิดสามเรื่องพอทำสอตอกโก้ต้องหาเงินใช่ไหมน่ะเอาสตอกโก้เงินนี้ ส, อ ส, อสอตอกโก้ด้วยได้ด้วยด้วยว่าจะยิ้มกับเป็นสอตอกโก้ใช่ไหมเก็บเรื่องนี้ก่อนสอตอกโก้สองความรู้ที่มีประโยชน์เรียนเยอะๆอย่านอนเยอะๆอย่าอยู่ว่างๆเรียนความรู้ที่มีประโยชน์ใส่ตัวเอาไว้จะไปสอนคนอื่นได้ อันที่สามอะไรนะวาลาดุลซอเลฮุนยะดองลาหูลูกที่ซอแรกขออุนอาหลังจากพ่อแม่ตายผลบุญถึงพ่อด้วยไอ้ลูกไม่นำมาละขอ อ, ะอุนอาตรอดอะหายเวลาก็เอาบ้างอาจจะพ่อวันศุกร์อัลลอฮฺเขาเอาไคิดไม่คิดใหม่คิดใหมฉะนั้นให้พ่อเสียชีวิตพ่อได้ผลบุญอยู่ในกูโบทําไงลูกที่ซอแรกจะขอดุอาให้ตลอดเวลาถึงครับถึงต่อมาข้อที่อะไรข้อที่สิบเอ็ด พี่น้องผู้ที่นามาศุนต์นัดสองรอกระอาจหลังจากอาบน้ํามนามาศจบแล้วใครทําเป็นประจำธนาบิลานนาบีขึ้นไปมีอาราชเข้าไปเยี่ยมในสวรรค์เจอธนาบิลานเดิน อ, อยู่ในสวนสวรรค์ก่อนพอนบีลงมานาบีถามบี่านคุณทําอะไรอ่ะก็เล่าฉันเนี่ยอาบน้ําม น, า ม, นามาศทุกครั้งที่น้ํามนามาศหมดไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนชัชนามาศสองรอกระอาจเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละเห็นอย่างครับ ไปต้อทำซักนี่มันส1บข้อทั้งสห้าข้อกว่ายังดีนะข้อที่ส2บสองภรรยาที่ปฏิบัติตามสามีอาจกูุคือภรรยาที่บ้านเอาภรรยาที่รักทั้งหลายนะเชื่อฟังสามีอย่างเดียวไปสวรรค์เร็วแต่มีทั้งหมดสี่ข้อหนึ่งนะมาครบห้าเวลาถือศีลอดในเดือนระมาดอนแล้วก็รักษาอวัยวะเพศจะทำาดนาะข้อที่สี่เชื่อฟังสามี สามีก็ต้องดีด้วยไปซื้อเบียร์ให้พี่หน่อยอซื้อบุหรี่ให้พี่หน่อ ย, ออยมันก็ต้องแนะนําในของที่ดีๆ ด, ด้วยนะอัลลอฮฺภรยาไปสวรรค์ง่ายบ้ายกำจ่าเงินก็นมาทําใจสามีหาให้อัลลอฮฺอักบาดมันสบาจริงๆนะเอาใจสามีไซนาอุมัดว่างไงนะฉันเนี่ยนะถ้าภรยาบ่นเชิญเลยถ้าจะบ่นบ้างอะไรบ้างเชิญ ราะฉันนึกถึงความดีของภรรยากี่ข้อ4ข้อข้อที่หนึ่งภรรยาตั้งทันแล้คลอดลูกเจ็บได้ไม่เจ็บทรมานสุดๆนะ่ะลดโทษหมดเลยเนี่ยนะข้อที่สองเลี้ยงลูกแทนฉันใช่ไหมสมหุงอาหารให้ฉันทานข้อที่สี่ซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าให้ฉันใส่4ข้อนี้ถ้าภรรยาจะบ่นบ้างเชิญจะงอนบ้างเชิญ แต่ตำหนี้ฉันเชิญเพราะฉันนึกถึงความดีของนางกี่ข้อนะสี่ข้อนี่ใครพูดนะไซนาอุมัดลูกน้องท่านนาบีมุฮัมมัดสอดรับสั่งแล้วส่วนนบีล่ะนบีสอนเลยอย่าตบอย่าเตะอย่าต่อยนบีสอนหมดแล้วนบีทาเป็นแบบว่านนะมันจะพูดอย่างเดียวนะทําด้วยแล้วก็สอนด้วยตรงเป๊ะเลยนี่นบีสอนพี่น้องนบีไม่เคยด่าภรรยาไม่เคยตบหน้าภรรยาลูกก็ไม่เคยตบไม่เคยตีพี่น้องกินดื้อเอาต่อมาครับข้อที่ 13คนที่ตายชฉื่อเข้าสวรรค์ครับข้อที่14คนที่มีตักวาต่อรถและมีมารยาทที่งดงามมารยาทงดงามข้อที่หนึ่งได้ยินเสียงอาจารย์มืดซันอยากจะไปสุราอยากจะไปได้ยินเสียงอาจารย์คนที่คนนี้มารยาทงามมากเลยได้ยินเสียงอาจารย์ป้าแบบนบีอะ่ะคุยกับภรรยาพอ ค, ค, คุยคุยคุยกำลังคุยอยู่ พอไดยินเสียงอาจารย์ปับ๊บนางไอาชาลเล่าเองนะนบีทําตัวเหมือนไม่รู้จักฉันนะ่ะท่านไปก่อนแล้วไปเลยท่านใช้นะนบีมามาทําเป็นแบบอย่างให้เห็นเรียกว่าคนที่มีมารยาทไงอันนี้ข้อเดียวนะข้ออื่นนีแหละพูดจาดีไม่ดา่าไม่ตวาดไม่เตะพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องครับรักษาศุนย์น้นาบีอยู่คนหนึ่งนอนแต่ว่าค่ำอย่านอนดึกนอนแต่ว่าค่ำเนี่นะ มีภูมิต้านทานให้ใบหน้าเราเนี่ยสดใสไม่แก่งอมเกินไปนบีนอนหลังนมาติชานีนบีสอนด้วยทำด้วยละตต่นติท่ายรอนนอนกค่สี่หชั่วโมงในอิมแล้วถ้านอนสามทุ่มละครตกอดใจนะอดใจไปดูละครเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยล เอาละ ไ, ไปน้องเราตื่นเต้นได้ต่หัดหยุดได้วิเต็ดตัวเราได้อ่านกรุรานได้ศึกุรุลละทำเลยๆเพราะเราใบหน้านาสดใสได้ไปน้องภูมิต้านทานโรคสูงเอาต่อมาครับข้อที่15 <ส>ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเด็กกับพระกาฟิลุยยาตีไปน้องที่อิหม่ามอิหม่ามมุสลิมบันทึกมาข้อที่16 <ส>ผู้ที่ทำฮะยีและได้หะยีที่มาบรุษกลับมาได้ไปสวรรค์ครับอิหม่ามบุคฮอรีและมุสลิม แนี่ห ادي มาบรูดดูดูตอนไหนดูตอนถูกถูกถูกเคลนทับหรือไม่ใช่ห ادي มาบรูดกลับมาแล้วนิสัยต้องเปลี่ยนแปลงกว่าดีกว่าเดิมไม่เคยมาสุราลเลยมาเฉพาะวันศุกร์พอไปห ادي กลับมาเอ๊ะเห็นหน้าที่สุราลเวลาซุฮรีอัสรีอิชะซูโบเห็นบ่อยๆถึงจะขาดบ้างก็เห็นมบ่อยๆแสดงว่าอ่าเขาได้ห ا د ีติมาบรูดมาก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง ข้อที่สิเจดพี่น้องผู้ที่รักษาอา ว, วัยวะเพศไม่ทําซีนาแล้วก็รักษาปากไม่นินทาเนี่ยยกนี่ผู้ชายก็ไม่เบาหนะนินทาก็เก่งก็เลาะอักวัตเอาต่อมาครับข้อที่18บูปดทุไซม่หมดหมดเวลาก่อนข้อที่สิปผู้ที่ไม่ทะเลาะกับเพื่อนบานเห็นไหมผู้หญิงที่ไม่ทะเลาะกับเพื่อนบานนะครับเวลาตุ๊จีจีรอนะฮะ นางเป็นชาวสวรรค์ทำดีกับเพื่อนบ้านส่งอาหารบ้างอะไรบ้างทักทายกันยิ้มกันเป็น้องเป็นนาเป็นชาวสวรรค์ข้อที่สิบเก้าเป็นน้องครับคนที่ท่องจําสิ่งฝของอัลลอฮ์อยู่ทกาแต่เก้าสิบเก้าพระนามอะท่องด้วยแล้วก็นํานเอามาใช้ด้วยอย่างอัลลอฮ์เมตตา เราไม่เคยเมตตาใครเลยอัลลอฮฺแต่ท่องทําไมอัออออออออลลอฮฺมานอัลลอฮฺมานอัลลอผูุ้ษงเมตตาปราณีแต่ตัวเองไม่เคยเมตตาปราณีใครเลย<อ>กับข้อที่ยี่สิบผู้ที่ท่องจําอัลกุรอานให้ไหมท่องจําอัลกุรอานฮาฟิสกุรอานแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานอธิบาย อ, าอัลอลอฮฺพี่น้องครับเป็นชาวสวรรค์อยาอัลลอฮฺให้เราเป็นชาวสวรรค์ทุกคนนะข้อที่ยีสบเอ็ดผู้ที่ชอบ กล่าวสลามกับคนที่ท่านรู้จักและไม่รู้จักวันนี้พี่น้องครับเราสลามเนี่ยสลามะเฉพาะคนที่เรารู้จักถ้าไม่รู้จักเอ็งอย่า ก, กินสลามฉันเลย <c oughs> เดินสวนกันเ น, น่ยเป็นมุสลิมแต่เราไม่ให้เพราะเราไม่รู้จักมีไหมมีครับเนี่ยมาแล้วฉะนั้นถ้าจะเป็นชาวสวรรค์จริงๆก็เห็นหนา้าอัสลามอัลัยกุ๊มเห็นหน้าคนนี้ไม่รู้จักอัสลามอัลัยกุ๊มให้ก่อน ก, กับรับไหนดีกว่าคนที่ให้ก่อนดีกว่าพี่น้องครับเอาต่อมาข้อที่22ผู้ที่ไปเยี่ยมคนป่วยผมเรียกมังสวิรีมาวา ง, งี่โรงพยาบาลก่อนไปพกอ่านทัดิสคนที่เยี่ยมคนป่วยเหมือนกับนั่งอยู่ในอุทยานแห่งสวนสวรรค์จงกระทั่งเขากับต้องไปยืนกับคนป่วยนะไอมาคุยกับข้างนอกพวกนะั้นมาจะเยี่ยมคนป่วยระหว่างที่ยืนอยู่ในห้องคนป่วยพี่น้อง เหมือนกับเขาอยู่ในอุทยานแห่งสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาอัลลอพี่น้องครับยิ่งใหญ่น ะ, ะข้อที่ยี่สบผู้ที่เรียนอิสลามวิชาการาศาสนาเพื่อให้อลัลลอพึงพอใจบางคนเรียนาศาสนาเพื่อหาเงินมันไม่ใช่เรียนาศาสนาเพื่อให้อลัลลอพึงพอใจข้อที่ยี่สิบสี่ ผู้ที่อาบน้ำอย่างอาบน้ำนามาดอย่างทั่วถึงไม่ใช่ลูกๆนะพออาบน้ำนามาจบอัชชาดวนเลยไม่ต้องยกเบยก็ได้อัชชาดวนเลยอิลละฮิลอลอฮฺว่าอัชชาดวนนะมุฮัมมัดนอัลลอฮฺวะรอสูลฺลูกเป็นชาวสวรรค์ครับฮดิบบังบุญข้อที่25ข้อสุดท้ายลูกที่ดูแลดูแลพ่อแม่เมื่อตอนพ่อแม่แก่ชราให้ทำห้าข้ออย่าพูดคำว่าวอออย่าไล่แล้วก็ลดปีก ไอปีกนี่มันลดยากนะลดปีกซะแล้วก็พูดจาเพราะๆกับพ่อแม่แล้วก็ขอดูอาให้พ่อแม่ทำา5รายการนะครับอาวันนี้เปน็นวันกับเอาแค่นี้ก่อนนะบุคคลที่จะเข้าสวรรค์ของลอ์มีทั้งหมด42รายการผมนาเอามาให้แค่2ี่รายการก่อเพราะเวลาหมดแล้วนะครับสุมมบ้านังรอพุ่มมาบกีบลล้ารอัลาอิลาฮิลลาัน ต, ตอัตาสามุลิกะวะอตบไลกัสาลามูอะลัยุมบะรบตุลลอฮ์กับราตุ